เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบุรุษอบาสกอบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่14ธันวาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่เป็นวันพระวันธรรมัฒสวนา วันเสริมสร้างบุญบารมีเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นจเจริญก้าวหน้ามีแต่ความสมบงบล่มเย็นเป็นสุขและนำพาเราไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตชีวิตของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนกับ นักเดินทางขณะ น, นี้เรากำลังเดินทางกันเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถากันนั่นก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่พระนิพพานที่เป็นบ้านของเราที่แท้จริง เป็นบ้านที่จะให้แต่ความสุขความสบายความร่มเย็นการที่เรามาเกิดในพบของมนุษย์นี้ก็เป็นเหมือนกับเราได้มาจอดแวะที่สถานีบริการเช่นถ้าเราต้องขับรถเดินทางไกลเมื่อเราเดิน ทาไปได้ระยะหนึ่งน้ำมันก็จะหมดแล้วเราก็จะมีความหิวเราก็ต้องจอดแวะตามสถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันรถเติมลงตรวจสภาพรถยนต์และในขณะเดียวกันเราก็แวะหาของรับประทาน และของที่เราต้องการเอาติดตัวไปด้วยการมาเกิดในภพของมนุษย์นี้ก็เป็นการมาเติมเสริมบุญบารมีนี้เองไม่ว่าใครก็ตามถ้าปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดปรารถนามรรคผลนิพพานก็จะต้องบำเพ็บุญบารมี ทั้งสิประการดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาในแต่ละภพแต่ละชาติ <c oughs> จนในที่สุดก็ทําให้พระองค์ได้ตัดสรู้เป็นพระอระหันตาสตามมาสามพุทธเจ้าด้วยบุญบารมีทั้งสิบประการที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมา อย่างโชคชโชนในแต่ละภพแต่ละชาติอย่างที่พวกเราทั้งหลายกำลังมาบาเพ็ญมาเสริมสร้างกันอยู่บารมีแรกที่พวกเราจะเสริมกันก็คืออธิษฐานบารมีอธิษฐานมีความหมายสองความหมายด้วยกันความหมายทางศาสนา ค, ความหมายของพระนี้ท่านแปลว่าความตั้งใจส่วนความหมายของทางโลกของทางญาติโยมอธิษฐานนี้แปลว่าขอขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทางศาสนานี้ถือว่าการขอนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะการขอไม่ได้เป็นเหตุ ที่จะทำให้เราได้รับสิ่งที่เราปรารถนาแต่การตั้งใจทำเหตุเพื่อให้เราได้ผลที่เราปรารถนานี้ต่างหากที่เป็นเหตุที่สำคัญเราต้องตั้งใจเราอยากจะได้อะไรเราก็ต้องตั้งใจทำหน้าที่ของเราสร้างเหตุที่จะทำให้เรา ได้สิ่งที่เราต้องการเช่นถ้าเราอยากจะเรียนหนังสือให้ได้ปริญญาสูงๆเราก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจไปโรงเรียนตั้งใจทาการบ้านตั้งใจทาหน้าที่ของนักเรียนนักศึกษาอย่างเต็มที่แล้วไม่นานผลก็คือการสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา ขั้นต่างๆก็จะเป็นผลตามมาพวกเราที่ปรารถนาะการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้มีความปรารถนามรรคผลนิพพานก็จาเป็นจะต้องตั้งจิตอธิษฐานคือตั้งใจทาหน้าที่สร้างเหตุที่จะทําให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดเหตุที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นก็คือการปฏิบัติคือทานบารมีศีลบารมีเป็นต้นดังนั้นวันนี้เราจึงสร้างบารมีอันแรกก่อนก็คืออธิษฐานบารมีคือเราต้องตั้งใจจะมาวัดเพื่อมา ทำบุญให้ทานารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพราะนี่คือการเจริญเหตุที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่คือบรารมีอันแรกที่เราได้ทำกันก่อนที่จะมาวัดเราก็ได้ตั้งอธิษฐานว่า วันนี้เป็นวันพระจะมาทำบุญที่วัดแล้วเมื่อเราตั้งอธิษฐานแล้วบารมีข้อที่สองที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เราได้ทำตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ก็คือสัจจบารมีสัจจบารมีก็คือความจริงใจต่อกความตั้งใจของเราถ้าเราไม่มีความจริงใจ ต่อความตั้งใจเราอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราได้ตั้งใจเอาไว้เช่นวันนี้เราตั้งใจจะมาวัดแต่พอตื่นขึ้นมาอาจจะมีความรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยก็เลยเปลี่ยนใจไม่อยากจะมาวัดได้แต่ถ้าเรามีสัจจะคือความจริงใจถ้าเรายังเห็นว่า ความปวดหัวนี้มันไม่รุนแรงยังพอที่จะเดินทางมาวัดได้เราก็จะมาให้ได้เพราะเราได้ตั้งใจเอาไว้แล้วแล้วถ้าเรามีสัจจะด้วยก็แสดงว่าเราพลิกตัวความตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอะไรไว้แล้วเมื่อมีสัจจะ ก็ต้องทำตามที่ตั้งใจเอาไว้ยกเว้นในกรณีที่สุดวิสัยเช่นตายไปเป็นต้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำตามความตั้งใจได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานในขณะที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพในวันก่อนที่จะตัดสรูพระองค์ไม่ทรงตั้ง จะอธิษฐานว่าจะนั่งอยู่ตรงต้นโพนี้จเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาไปจนกว่าจะได้มรรคผลนิพพานจนกว่าจะได้ตัดสรู้เป็นพระอหรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปถึงแก่เสียชีวิตถ้ายังไม่ได้ตัดสรู้ ยังไม่ได้มรรคผลนิพพานก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดนี่คืออธิษฐานและสัจจะบารมีไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจำเป็นจะต้องมีบารมีทั้งสองส่วนนี้ไว้เป็นผู้นำทางผู้ผลักดันให้เราได้ทำในสิ่งที่เราต้องทำ เพื่อผลที่เราปรารถนากันนั่นเองเมื่อเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีแล้วบารมีที่สามที่เราจำเป็นจะต้องเจริญก็คือวิบบริยะบารมีเราต้องมีความภาคเพียงมีความขยันที่จะต้องทำหน้าที่ของเราที่เราได้กำหนดเอาไว้ เช่นเราได้ตั้งใจจะมาวัดพอตื่นแล้วเราก็ต้องรีบลุกขึ้นมาไม่ใช่นอนต่อเกิดความรู้สึกที่เกียดไม่อยากจะลุกขึ้นมาถ้าไม่มีความกยันก็จะไม่สามารถมาวัดได้ขอนอนต่อนอนไปจะกระทั่งเลยเวลาพอตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็สายไปเสียแล้วมาไม่ได้แล้ว ทั้งๆ ท, ที่มีสัจจะมีอธิษฐานที่จะมาแต่พอถึงเวลาที่จะต้องมาจริงๆก็เกิดความเกลียดคร้ามาเป็นอุปสรรคมาขวางกั้นดังนั้นเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรอยู่เสมอเพื่อที่เราจะได้กาจัดความเกลียดคร้าต่างๆอย่าให้ความเกลียดคร้านนี้ มีโอกาสเจริญงอกงามขึ้นมาในชีวิตของเราเป็นอันขาดเพราะมันจะเป็นตัวขวางกัน้นการเจริญก้าวหน้าของเราเราต้องต่อสู้กับความเกียบคร้ามทุกรูปแบบไม่ว่าจะในรูปแบบใดบางครั้งเจ็บไข้นิดๆหน่อยๆก็อ้างปเป็นเหตุจะไม่ให้ทําหน้าที่ของตนอย่างนี้ก็ จะถูกความเกลียดครา น, นี้บุกรุกผักดันให้เราต้องถอยหลังไม่ได้เจริญก้าวหน้าถ้าเราเจ็บบ้างปวดา้างแต่ถ้าเรายังไปได้ยังทำได้ก็ขอให้เราไปเถอะอย่าให้เห็นเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ว่าเป็นอุปสรรคเลย ครูบาอาจารย์แต่ละรูปนี้ท่านพยายามเสริมสร้างวิริยาบารณีกันอย่างเข้มค้นเลยทีเดียวเช่นหนวงปู่มั่นนี้ถึงแม้ท่านจะมีอายุมากเจ8 0บแแล้วท่านยังไม่ยอมหยุดการเดินบิณฑบาตถ้าเดินไปไม่ถึงบ้านก็เดินถึงครึ่งทางก็ยังดี ถ้าเดินไปถึงรึ่นทางไม่ได้ท่านก็ขอเดินไปที่ประตูวัดก็ยังดีคือท่านจะทำไปจนกว่าสังขารร่างกายของท่านนี้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ต่อไปแล้วนี่คือวิธีกำจัดความเกียดคราส <c oughs> ที่จะเป็นอุปสรรคในการเสริมสร้างบุญบารมีต่างๆของเรา ที่เราต้องการจะทาดังนั้นขอให้เราพยายามให้เห็นความสําคัญของวิริยาบารนีพอพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความภาคเพียรด้วยวิริยาบารนีผู้ใดก็ตามถ้าปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรที่จะ ปฏิบัติบุญบา ร, รมีชนิดต่างๆให้ครบถ้วนบริบูรณ์ถึงจะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นเมื่อเรามีวิริยะบา ร, รมีแล้วเราได้สร้างความภาคเพียดขึ้นมาแล้วในวันนี้เราก็ได้ออกเดินทางจากบ้านนำข้าวของต่างๆขับรถหรือเดินทางด้วยวิธีการต่างๆ จนมาถึงวัดได้ในขณะนี้ก็เพราะเรามีสามบารมีแล้วคือมีอธิษฐานบารมีมีสัจจะบารมีและมีวิ ร, ยริยะบาลมีพอเรามาถึงเราก็จะได้ทำทานบารมีทานก็คือการให้สิ่งที่เราให้ก็มีหลายชนิดด้วยกันถ้าให้ข้าวของเงินทองอาหารขาวหวาน จะดูปัจจัยต่างๆเรียกว่าวัตถุทานให้วัตถุถ้าให้วิชาความรู้ก็เรียกว่าวิทยาทานถ้าให้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าธรรมทานถ้าให้อภัยไม่อาฆาตพยาบาทกดแค้นกดเคืองจองเวนจองกรรมก็เรียกว่าให้อภัยทาน นี่คือทานบารมีที่เราควรเสริมสร้างกันอย่างสม่ำเสมอวันนี้เราก็ได้มาสร้างวัตถุทานกันแล้วนอกจากทานบารมีแล้วเราก็มาสร้างศีลบารมีศีลบารมีก็อย่างที่ญาติโยมได้สมาทานกันเมื่อสักครู่นี้คือศีลห้าศีลห้าก็คือการ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแม้ตนเองการกระทำผิดศีลนี้จะทําให้ผู้อื่นเดือดรอ้อนและจะทําให้ตัวเราเองเดือดร้อนด้วยจะทําให้ชีวิตของเราตกต่ําไม่เจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเรารักษาะศีลได้จิตใจของเราก็จะเจริญก้าวหน้าสูงขึ้นไป และผู้อื่นก็จะไม่เดือดร้อนจากการกระทาของเราเราจึงจำเป็นจะต้องเจริญศีลบารมีอยู่อย่างต่อเนื่องพยายามเจริญให้มากตอนต้นเราก็อาจจะเจริญเพียงในวันพระอย่างวันนี้แต่ความจริงแล้วเป้าหมายที่แท้จริงก็คือเราต้องมีศีลห้า ประจําชีวิตของเราอยู่ทุกวันเวลาเรียกว่าเป็นนิจจะสินเป็นสินที่เป็นนิสัยของเราไม่ว่าเราจะอยู่วัดหรือไม่อยู่วัดจะเป็นวันพระหรือไม่เป็นวันพระเราต้องมีสินห้าอยู่ประจําตัวของเราถ้าเราอยากที่จะก้าวหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ อด้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่างๆเราต้องมีศีลห้าเป็นอาวุธประจากายของเราอย่างที่วันนี้ญาติโยมมาสมาทานกันนี้ก็เพื่อมามาม า, มาเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถรักษาศีลได้ครบทุกวันก็เริ่มต้นในวันพระไปก่อนโดยให้พระเป็นผู้สอน ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างการขอศีลนี้ไม่ได้หมายความว่าพระจะเอาศีลของพระให้กับญาติโยมศีลนี้ให้กันไม่ได้ศีลนี้เป็นของใครของมันใครอยากจะรักษาก็มีศีลได้ไม่ต้องขอใครก็ได้เช่นถ้าวันนี้ไม่สามารถมาวัดได้แต่อยากจะรักษาศีลถ้ารู้ว่ามีีมอะไรบ้างก็ตั้งใจรักษาไป ตั้งตั้งสัจจะอธิษฐานไปว่าต่อไปนี้จะรักษาศีลข้อนี้ข้อนี้ไปก็สามารถมีศีลขึ้นมาได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องมาขอพระถึงจะรักษาศีลได้ศีล น, นี้ก็มีอยู่สามวิธีด้วยกันวิธีที่จะรักษาศีลได้วิธีแรกก็อย่างที่เราทำกันเมื่อกี้นี้คือเรามาสมาทาน ขอศีลจากพระถ้าเราไม่รู้ว่าศีลมีอะไรบ้างเราก็มาหาพระเพื่อให้พระสอนเราเช่นเมื่อกีนี้ก็สอนแล้วว่าศีลข้อที่หนึ่งก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อที่สองก็คือการไม่ลักทรัพย์ข้อที่สก็คือไม่ประพฤติผิดประเวณีข้อที่สก็คือไม่พูดปดนอเทศ และข้อที่หก็คือไม่เสพสุรายาเมาตอนนี้เรารู้แล้วว่าสินห้ามีอะไรบ้างและเราได้สมาทานแล้วว่าวันนี้จะรักษาศินทั้งห้าข้อนี้เราก็ต้องมีสัจจะมีความจริงใจแล้วก็ต้องมีความภาคเพียรที่จะคอยรักษาศินทั้งห้าข้อนี้ให้ได้นี่คือเรียกว่า สมาทานศีลส่วนถ้าเราไม่ได้มาวัดแล้วเราอยากจะรักษาศีลเราก็ตั้งใจอธิษฐานจิตของเราขึ้นมาว่าวันนี้จะรักษาศีลกี่ข้อก็ว่าไปห้าข้อก็ว่าไปว่าไปใ น, นใจว่าวันนี้จะรักษาศีลทั้งห้าข้อแล้วก็มีสัจจะมีวิริยะความภาคเพียรที่จะรักษาไปอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลวิรัต คือเราวิรัติขึ้นมาเราตั้งใจงดขึ้นมาเองส่วนศีลชนิดที่สามนี้เป็นศีลของพระอริยะบุคคลตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันและพระอริยะที่สูงขึ้นไปนี้ท่านจะมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมว่าการกระทำผิดศีลนี้เป็นภัยอันตรายต่อชีวิต แม้ว่าจะทําจะได้อะไรมาจากการทําผิดศีลนี้ไม่คุ้มค่ากันเช่นเราอาจจะได้ทรัพย์มาแต่ถ้าเราไปโกงเขามาอย่างนี้ท่านว่าไม่คุ้มค่ากันเพราะจิตใจของเราตกต่ำจิตใจต้องไปใช้เวรใช้กรรมต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้าง เพราะการไม่รักษาสีลนี้เองพระอริยบุคคลทุกๆพระองค์ทุกๆขั้นจึงรักษาสิลยิ่งกว่าชีวิตยอมตายยอมอดดีกว่าจะทำผิดสินนี่คือสิลของพระอริยมีนี่คือบาลศิลบา ร, รมีทั้งสามประฐานชนิดด้วยกันที่พวกเราจำเป็นจะต้องจเจริญกัน ขั้นต้นเราก็จะเลินด้วยสมาทานศีลแล้วถ้าวันไหนเราไม่ได้มาวัดเราอยากจะรักษาศีลเราก็ใช้ศีลวิรัสหรือถ้าเราได้บรรลุเป็นพระอริยะเราก็จะรักษาศีลไปโดยเป็นปกตินิสัยของเรายอมตายยอมอดดีกว่าที่จะต้องไปตกนรกไปเกิดในอบาย นี่คือเรื่องของสิงบา ร, รมีหลังจากนั้นถ้าเรายังอยากที่จะเจริญเจริญบา ร, รมีขั้นที่สูงขึ้นต่อไปเราก็ต้องเจริญเนคขมมะบา ร, รมีเนคขมมะ ก, ก็คือการออกบวชการสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างญ า, ญาติโยมที่มาถือสิงแฝดนุ่มขาวห่มขาว หรือผู้ที่มาบวชเป็นพระภิกษุสัมมณีเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเจริญนกคข ม, มะบามีคือจะไม่หาความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่จะหาความสุขจากความสงบของใจด้วยการไหว้พระสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมทำจิตใจให้สงบเรียกว่าเป็นการเจริญ เนกขมมะบารมีอย่างผู้ที่ถือศีลแปดนี้ก็จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเชี่ยงวันไปแล้วจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานเพื่ออยู่เพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอแล้วคือไม่ต้องรับประทานตอนเย็นก็ได้รับประทานวันละมื้อก็อยู่ได้แล้วและก็ศีลข้อสามก็ เปลี่ยนจากกาเมสุวิชชาจาราไปเป็นอรัมมัญญาเวราะมะนี mm hmm. ก็คือจะไม่ร่วมเพศกับใครเลยจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่น mm hmm. จะหาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบ mm hmm. เช่นเดียวกับสิลข้อเจ็ก็คือจะไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อ mm hmm. แต่งตัวแต่งหน้าทาปาก หรือทากลิ่นหอมต่างๆใช้สบู่หอมใช้น้ำหอมเพื่อให้มีความสุขจากกลิ่นหอมหรือหาความสุขจากการการบันเทิงต่างๆเช่นร้องลําทำเพลงดูหนังฟังเพลงออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้จะเข้าห้องพระจะหา ความสงบจากการนั่งสมาธินี่เรียกว่าเนคขมมะบาลีผู้ที่ต้องการหยุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดจําเป็นจะต้องเจริญเนคขมมะบารลีเมื่อได้เจริญเนคขมมะบาลีแล้วก็จะเจริญปัญญาบารลีต่อคือฟังเทศฟังธรรม หาความรู้ทางธรรมะเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องนำทางเป็นแสงสว่างนำทางผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด น, นี้จาเป็นจะต้องมีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้างปัญญาบา ร, รมีวิธีหนึ่ง และอีกวิธีหนึ่งที่เราจะเสริมสร้างบารมีได้ปัญญาบารมีได้ก็คือการพินิตรพิจารณาค่ายควรธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเช่นวันนี้เราได้ยินเรื่องบุญบารมีต่างๆเมื่อเรากลับไปบ้านเราก็เอามาพิจารณาต่อมาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเพื่อกันลืม ถ้าเราไม่คิดอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะลืมเรื่องบารมีต่างๆไปก็จะไปคิดแต่เรื่องลาบะลดเสริเสริญสุกทางตาหูจมูกนิ้นกายก็เราก็จะกลายเป็นคนมืดบอดไปกลายเป็นคนโง่ไปถ้าเรามัวคิดแต่เรื่องลาบะลดเสริเสริญสุขนี้เราก็จะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากการหวี่นว่ายายเกิดไปได้ เราต้องคิดถึงแต่เรื่องบา ร, รมีต่างๆอยู่สม่ำเสมอเพราะเมื่อเราได้คิดแล้วเราจะได้ไม่ลืมที่จะปฏิบัตินั่นเองถ้าเราไม่คิดแล้วเราจะลืมนี่คือปัญญาบา ร, รมีที่เราต้องหมัน่นเจริญอยู่เรื่อยๆหมั่นฟังเทศฟังธรรมหมั่นไข้ครวรอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะได้มีแสงสว่างนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ จุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันส่วนเมตตาบา ร, รมีนี้เราก็ต้องเจริญอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันคือเราต้องมีความปรารถนาดีคิดดีพูดดีทาดีไม่คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายแม้ต่ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีกับเราหรือทำร้ายเราเราก็ต้องให้อภัยกับเขาไม่จองเวรจองกรรม นี่ถึงจะเรียกว่าเป็นการสร้างสร้างเมตตากรมีสัพเพสัตตาเอเวราหรตุสัตว์ทั้งหลายจงอย่ามีเวรกันนี่คือสัตว์ทั้งหลายจงอย่าเบียดเบียนกันสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดอยู่ในใจของเราอยู่เสมอคิดไม่จองเวร คิดไม่เบียดเบียนคิดให้ผู้อื่นมีความสุขเรียกว่าการเจริญเมตตาบารมีและบารมีประการสุดท้ายก็คือ อ, อุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็คือการทำใจให้ปล่อยวางให้สงบให้นิ่งไม่มีอารมณ์ว่าวุ่นขุ่นมัวกับสิ่งต่างๆ ไม่รักไม่ชังไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งต่างๆใครจะชมก็ไม่ยินดีใครจะด่าก็ไม่ยินร้ายไม่เสียใจไม่โกรธไม่เกลียดปล่อยให้เขาทาไปตามเรื่องของเขาเพราะเราไม่สามารถไปห้ามเขาได้นั่นเองคนจะดีกับเราหรือร้ายกับเราเราไปห้ามเขาไม่ได้ แต่เราจะไม่เดือดร้อนถ้าเรามีอุเบกขาบารมีคือทำใจของเราให้นิ่งให้เฉยไม่ตอบโต้ให้คิดว่าดีแล้วที่มันไม่เลวร้ายไปก่อนนี้เช่นถ้าเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขาไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขาไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็ให้คิดว่าดีแล้วที่เขาไม่ฆ่าเรา ถ้าเขาข่าเราก็ว่าดีแล้วเพราะเราจะได้ไม่ต้องทุกทรมานอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปเราจะได้ไปเกิดดีกว่านี้เพราะเรามีบุญบารมีต่างๆพาให้เราได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพุริเป็นพระอริยจเจ้าตามลำดับต่อไปถ้าเราคิดอย่างนี้ใจของเราก็จะปล่อยวางได้จะไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัว จะรู้สึกเฉยๆนีน่คืออุเบกขาบาลเมีทั้งหมดนี้คือบารมีที่พวกเราทุกคนกำลังมาบางเพ็ญกันมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอธิษฐานสัจจะและวิริยะบารมีถ้าเราตั้งจิตมีอธิษฐานที่จะทำบารมีให้มากและเรามีสัจจะและวิริยะเราก็จะสร้างบารเมีได้มาก ถ้าเรามีความตั้งใจที่สร้างบารมีน้อยเราก็จะได้น้อยอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่อธิษฐานสัจจะบารมีอย่างพระพุทธเจ้านี้ปาถนาการเป็นพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็ต้องตั้งอธิษฐานสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาจนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านี่คือ การเสริมสร้างบุญบารมีชนิดต่างๆเพื่อผลก็คือความร่มเย็นเป็นสุดและความเจริญก้าวหน้าของชีวิตของพวกเราที่จะตามมาต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญบุญบารมีต่างๆเหล่านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิตรจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและการหลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดิดไวเพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบาเป็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแขวงกร้าวปลอดภรยจากทุพภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยทั่วหน้าการเธอ